อาตมาก็ขอขอบคุณบรรดาญาติโยมพุตรบุญญาทั้งหลายตอนนี้จะขอพูดนนถึงอาณาสงฆ์ก็ถิญย่อๆนะอาณาสงฆ์ในการถวายกรถินหรือว่าบรรดาญาติโยมบุตรบุญญาถวายสังฆทานสังฆทานวันนี้ก็เป็นสังฆทานของกรถิญการถวายสังฆทานทุกอย่างมีผลคู่กับตัดกระถินเพราะเป็นวันของกรถิน อานนี้สงดีพ้นได้ครับตามที่พระพุทธเจ้าสันตตันว่าถอยหลังจากกัดนี้ไปก็าีิเอกกัดถ้าพุทธเจ้าพวกเราเองเกิดเป็นคนจนมากที่เรียวกว่ามหาทุกตะและเป็นคนรับใช้ของพระหาบดีเดียเด๋ยวกอด๋ยวพกอีตานหน่อยนะมีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าสุขนามวุสมุตรากเกิดในเวลานั้น ท่านเพศอาลิสงกระถินท่านบอกว่าคนที่ถวายพาะกระถินทานครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วถ้าบุญอื่นไม่ช่วยนะไม่มีบุญอื่นช่วยเอาเฉพาะอาลิสงกระถินทุกคนผู้ชายจะเกิดเป็นเทวดาผู้หญิงจะเป็นนางฟ้า เกิดที่เป็นเทวดานางฟ้า500ชาติความจริงต้องเกิด500ชาติไม่จะกลับมายมเพราะเวลานี้คนตัง้ตงใจเพื่อนิพานก็ปฏิพันธ์ก่อนแน่ต่อมาเมื่อบุญยศลงมาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้า500ชาติแล้วลงมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิปกครองโลกอีก500ชาติ ก็ต่อมาว่าเป็นเ จ, าจา้าจักรพรรดิเขาผ้าร้อยชาติแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศห้าร้อยชาติเพื่อเป็นกษัตริย์ห้าร้อยชาติแล้วก็เกิดเป็นมหาเสรษฐีิห้าร้อยชาติเป็นกษัตบดีห้าร้อยชาติพระสดเป็นมหาเศร็จถิห้าร้อยชาติไปนอนุเสร็จถิห้าร้อยชาติมหาเสด็ีนั้นต้องมีทรัพย์เจ้าแปดสิบโกรขึ้นไปจึงเรียกมหาเสรษฐี อนุเสถีก็มีทรัพย์สี่สิบปัวขึ้นไปเรียว่าอนุสสถีถ้าไปก็าบบดีห้าร้อยชาติมีเงินต่ํากว่าสี่สิบโกดตาตามามีความเข้าใจว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนที่ตั้งพินี่รับอนิสงฆ์ถึงไม่ทันหมดทุกคนไปที่พานหมดก่อนไปที่พานก่อนแน่นะดีไม่ดีก็ชาตินี้แต่ไปเยอะชาตินี้อย่างน้อยก็ ที่นั่งอยู่ที่นี่เราเห็นจะเป็นเก้าถึงเก้าเปอร์เซนต์อี่เปอร์เซ็นต์เก็ก่อนไปดูโลกอีกเปอร์เซนต์ไทยรึไหมด็อกอร์บดีอาพูดมากให้มันพูดต่อไปอีกขอญาตโยมตั้งใจว่าตั้งใจจะหลังจากถวายไปแล้วนะหลังจากถวายของแล้วนี่จะอธิษฐานให้อธิษฐานยึดโดยตรงว่า ้าขเข้าพระเจ้าโดยอนิสงค์การตันถว า, ายก็ถึงนี้ขอให้เป็นบัจจเข้าพระเจ้าเข้าถึงมิตรพานในชาตินี้ถ้าบังเอิญบา ร, รมียังไม่ถึงต้องเวียนไหวใจเกิดในวัดตา ต, ตงสารก็ขอคำคำว่าไม่มีเจอยาปรากฏกับข้าพระเจ้านั่นหมายความว่าเกิดขึ้นมาแล้วต้องการอะไรมันมีทุกอย่างอย่างท่านอรุต ถ้าอนุรักษ์บรรกาศตามนี้ว่าถวายทานทุกครั้งท่านถานว่าขอคำว่ามันมีอยู่อย่างปรากฏพระเจ้ามาชา่านนหลังที่สุดวันก็มีทุกอย่างจะท่านชอบเล่นขุกกระเพื่อนเก่นตานะแล้วก็แม่ก็ทำขนมมาให้ทุกวันมรนขาดเลี้ยงตัวเองด้วยเลี้ยงเพื่อนด้วยแต่ว่ามาวันหนึ่งปรากฏขนมไม่มี พอถึงเวลาก็ใช่คนใช้ให้ไปรับขนมที่แม่แม่บอกมาบอกว่าขนมไม่มีท่านไม่เคยเห็นดินคาว่าไม่มีมีแต่มีเฉยๆอันหนึ่งบอกกับให้แท้ก็ใช้บอกว่าขนมไม่มีก่าเอายาจะจริงขนมไม่มีแม่ก็คิดในใจว่าลูกของเราเกิดเป็นลูกเจ้าต้องการอะไรก็ได้ทุกอย่าง ไม่เคยไข่ข้องแต่การไข่ข้องของค น, คนมาย้อนยังมีสักวันหนึ่งข้กหน้าจึงจะสอนลูกชายเพราะว่าให้คําว่าไม่มีมันเป็นอย่างนี้จึงเอาถ่ายเปล่าวางไปแล้วเอาถ่ายเปล่าความทับเป็นเป็นฝาส่งให้คนใช้มาให้ลูกชายลูกชายจะได้รู้ว่าคําว่าไม่มีคือมันไม่มีจริงๆตอนนี้อานิสงส์ที่พระนุชท่านอ ธ, ธิษฐานไว้หลังจากการทําบุญ ว่าขอผลทานนี้เร้าไปเจ้าทำนี้ขอคําว่าไม่มีอยากบลังเข้าไปเจ้าเป็นนว่าเป็นเหตุให้เทวดารักษาตัวเดือดร้อนถ้าวันนี้ถ้าพระอนุรุตไม่มีขนมกินเทวดารักษาตัวจะต้องหัวแตกเก็ดเสี่ยงตายแน่เทวดาก็ต้องนั้นมิขนมทิพเข้าถาดว่าถึงวางลงก็ป่วยขึ้นมากินทั้งหอมทั้งหวานทั้อร่อยก็เกิดขึ้นกิงก็หอม รสหวานอร่อยต่อมาเมื่อตอนเย็นฉันกลับมาหาแม่ถามแม่มาทุกวันนะแม่ไม่เคยประนีลูกเท่าวันนี้เลยแม่ก็ถามว่าเพราะอะไรเพราะขนมไม่มีของแม่นั่นแหละมันอร่อยเหลือเกินที่หลังขอแม่ทำขนมไม่มีให้ทุกวันนะแม่เลยสบายเวลาแล้วลูกชายช้ยคนใชายาเอาขนมก็ถ่ายเปล่าวางเท่า อาถารเปล่าปิดเครืงบุให้โอาใช้แบกไปเป็นวันวานเทวดาโอ้นั่นจะต้องทําขนมทุกวันสบายไปเลยญาติโยมเหมือนกันวันนี้ทำบุญกันหลายอย่างคําว่ากรถิ่นตามที่ด็ตอร์ปัญญาประกาศเพรว่าต้องมีผ้านี่ยเป็นความจริงผ้าเนี่เป็นกระถินสําหรับอย่างอื่นเป็นบริวารอย่างเงินที่บรรดาธนพคารบริษัทให้มาแล้ว ต่อไปชาติหน้าก็จะมีงเงินคับขั่งฐานะดีไม่น้อยกว่ามหาเศรษฐีทุกคนถ้าติก็อเลยต้องเกิดนะในการในสองการถวายผ้าเนื่อในการสังฆทานบุรีก็ะถินก็ตามเจ้ด่าเคยถามพระพุทธเจ้ า, ว, า ว, ว่าการให้อะไรใช่อว่าให้ผิวพันณพระพุทธเจ้าบอกว่าการให้ผ้าผ่อนทอส้นยเป็นการให้ผิวพรรณคำว่าให้ผิวพรรณหมายความให้ผิวพรรณสวยนั่นคือการถวายผ้า การในสามญาติโยมถวายพระพุทธรูปเมื่อกี้อย่าลืมว่าผิวสวยนะแต่ตัวเองอาจจะไม่สวยก็ได้โคตรทรงนะนี่การถวายพระรูปถ้าเป็นเทวดาแลือเป็นนางฟ้าหรือผมจะมีแสงสว่างมากถ้ามาเกิดเป็นคนก็จะเป็นคนมีสุดทรงสวยมากเป็นวันนั้นว่าอานิสงส์ที่ญาติโยมต้องการหนึ่งมีสุดทรงสวยได้แล้ว แต่การในสองมีผิวพรรณสวยก็ทําแล้วแต่การในสามการดีทรัพย์สมบัติมากกว่าทำแล้วแล้วก็ของทุกอย่างที่ญาติโยมทําครบถ้วนทุกประการทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยของปฏิพันธ์นโดยตรงขอให้ทุกคนตั้งใจไว้อย่างนี้ในวัดชาตินี้ขอไปนิพพานถ้าบังเอิญมันไปนิพพานไม่ถึงก็ค้างที่พมบ้างที่สวรรค์บ้างแล้วก็จะตีตัวต่อ ไปที่พันทันทีเมื่อหมดวาระตอนนี้ก็เห็นจะเรียบร้อยแล้วนะญาโยมตั้งใจถวายก็ฐินนิยมนะอ่าจต่อไปนี้ขอท่านสาธุชนพธิบริษัทธ์และท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายตั้งใจบูชาพระอาจายไกล และกราบพระระรับสินพร้อมกันก่อนเจ้าข้า <c oughs> อิมินาสกาเลนา <c oughs> ตัางพุธทธังอภิโูชยามา <c oughs> ข้าพระเจ้าทั้งหลาย <c oughs> ขอบูชาย่างเย่ง <c oughs> คุณของพระพุธทธเจ้า พอตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองด้วยเครืองสาการะนี้อิมินาสักกาเลนาต่งางธรรมอภิปูชยามาถ้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่ง คุณของพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเครื่องสาการะอนี้อิมินาสากาเรนาต่างซังขังอภิโกเจยามา ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งพระอาญาสงฆ์ข้าเจ้าผู้เป็นสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นด้วยเครื่องสักการะอนี้อรังสีมาตามพุทธโภคาวาพุทธังพักวันตังอภิวาเทมีสวากา โ, ธโธกาตภะาวัตโม ธรรมนัมมาสามีสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสังฆนามีปัญโทมยังพันเตวิสุงวิสุงละกันทายัติสันเนนัสหะปัญจเทรานิยาจมา ทุติยัเปิมายังพันเตวิสุงวิสุงละกนัถายะติสรเนนัสหาปัญจศิรานิยจามาตตยยัเปมยังพันเตวิสุงวิสุงละกนายะติสรเนนัสฮา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 นาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตตัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสมมสะ นาโมตตตาภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสระนงขามีพุทธังสระนังขจามีพังมังสระนังขจาังสระนงามีปังขังสระนังขจามียปิพุทธังสระนังขจามีโพธิยัมป พุทธังสระนางคัตสามียมปิธรรมังสระนางคัจฉามีพธิยมปธรมังตระนางคัจฉามียมปิสังขสระนางคัจฉามีโพธิยมปิสังขสรนางคัจฉามีอะนาติปตวติยมปว่าตยังมีเลยต้อยาเอาก่อนแล้วนี ตัติยมปีพุทธังสระนงขจามีตติยมปพุทธังสระนังขจามีตัติยมปีธมังสระนังขจามีตติยมปธรมังสระนังข้ามีตัติยมปีสังฆัสระนังขจามีตติยมปสังฆังสรนังขจามีอนาติปันตาวรมณีทิฆา ทัสมาธิยามีปัญาที่พัาเวรมณีสี่ขาดทังสมาธิยามีอินนาธานาเวรมณีสิ่ขาดทังสมาธิยามีอินนาทานาเวรมณีสิ่ขาดทังสมาธิยามีอาเมสุมิชจาราวรมณี สิกขาปทังสมาธิยามิกาเมตุเมชาจารเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสวาทาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิโมตาวาทาเวระมณีสิกขาปทัง ที่ยามีราเมรยามัจจามาตถานาเวระวณีสิคราคัมสมาทิยามีสุลามลยมัจจามาทถานา พระมาณีศึกษาประธานสมาธิยามีปาริปัญจะสึกษาประธานีสีเลนสุขติัญติสาธุสิเลนภูใเข้สัมปทานสาธุสิเลนภนูตินันติตัสมาสีลังวิโสอันทะเ ย, ยสาธุาต่อไปนี้ขอพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย ตั้งใจตั้งนาโมถวายธาถวายผ้าพระกฐินทานพร้อมกันเจ้าคาะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมะตัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมะตัมพุทธะนาโมตัสสะ 阿拉โตตมมะสัมพุทธะอิมังสัปริวารังกอ า, าทิณทุสังสังตจะโอนโนชยามะสาธุโนพันเตสังโฆ อ, อิมัง สะปริวารังกะพินาจิวระทุตรังอัธะลันโตอา ม, มากังทีคาราตังทิสายะสุขหายะท่าแต่ท่านพระสงค์ผู้เจริญ ผ้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอมถวายผ้าพระกฐินทิวันพรองกับพงที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระคุณเจ้าู้มิสินทั้งหลายขอพระคุณเจ้า ผู้มีศินทั้งหลายจงรับผ้าพระกฐินทีวรพร้อมกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอพระคุณเจ้ารับแล้วขอจงกรารผ้าพระกฐินทีวร ให้แกข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีบิดาเลมานดาเป็นต้นด้วยที่ได้ตายไปแล้วนานจงได้รับซึ่งความสุข สอคว่าปรารถนาเพื่อการอ่านเธ่านนสารสุตอนนี้ก็เจ้นที่ไปเค้นพระนะเดี๋ยวต่อไปก็จะพูดถึงกระถิ่นหน่อยอย่ยานโยมกระถิ่นน่มีสามอย่างเนะี่ยหนึ่งจุล้วกระถิ่สองปกติกระถิ่สามมหากระถิ่น สจุนกรถินนัมีผ้าอย่างเดียวคือส บ, งบองวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งคือมีของน้อยเครียกวจุนกระถิน่นญาติปกติกรถินนั้นก็มีผ้าใยครบไตรเป็นปกติกรถินแต่มหากรถินนั้นมีผ้าใยทุกองค์วันนี้ญาติโยมพุทธบริษัทถวายกรถินพระญาติรับผ้าใยทุกองค์เหมือนกันหมดจัดเป็นมหากรถินก็ถือว่าเป็นบุญที่มีกําลังสูงที่สุดในการถวายกรถิน คนใดญาติาจนสายกลไปบ้านอย่าลืมพระนิยมนะอย่าลืมนึกถึงกรถินที่เราถวายแล้วแต่มีบางท่านอาจจะสงสัยว่าการทําบุญไม่เสมอกันทําบุญมากบ้างน้อยบ้างจะมีสงเหมือนกันไหมก็ตอบว่ามีอันสงเหมือนกันแต่ว่าทรัพย์ถิ่นต่างกันแต่อย่างน้อยที่สุดเกิดไปชาติหน้าก็ต้องมีทรัพย์อย่างน้อยแปดสิบปีเหมือนกัน แต่ ว, ว่าถ้าคนที่้ทำบุญไปปริมาณมากเขาอาจจะเลย80ตัวขึ้นไปอย่างน้อยที่สุดต้องมี80โกวที่เป็นมหรรัฤทัยมหารรสตีแน่ถ้าใครทำบุญมากกว่าก็มีเงิน ม, มากกว่านั้นในญาติโยมนะก็รองความว่าทุกท่านมีความวังระวังใจได้หลังจากชาตินี้ไปแล้วเราจะไม่ยากจนดีกว่าจะเขา้านิพพานหรือหลายท่านอาจจะเข้านิพพานในชาตินี้ การพ่อกรถิ่นนี้ไม่ใช่ให้ผลเฉพาะชาติหน้าอย่างเดียวมีชาตินี้ก็มีการให้ผลยกตัวอย่างเจ๊กเจพล็กไพร์เขามาขอลูกสาวชาวบ้านบรรโครตรนรันอัดมายัยวัดบรรโครแกอายุสี่สิบเจ็ดแต่ว่าลูกสาวชาวบ้านเขายี่สิบแปดปีในเมื่อมาขอแล้วเขาเจ้าสาวยืนยันว่าถ้ายอมให้ถวายทานยอมให้ทําบุญก็จะแต่งงานด้วย ถ้าไม่ยอมให้ทำบุญก็ไม่ยอมแต่งงานด้วยแกก็ตกลงยอมแกมีลงด้วยลงดวยมือต่อมาถึงกากรก็ถึงอย่างนี้เจ้าสาวก็บอกว่าเขาต้องการจะเท่ากระถิ่นแกก็อนุญาตแต่เคยแกไม่เคยสนใจจะเสื้ออะไรมาก็ช่างจะทําไงก็ช่างไม่เคยสนใจแต่เวลาเขาถวายก็ถิ่นให้เขาบังคับให้ไปด้วยแกก็ไปแกบอกว่าแกก็ไปเฉยๆเขาว่าไงว่าตามเขาไป แต่ผลที่ได้รับก็คือว่าปีนั้นกําไรดีกว่าทุกปีขึ้มาหมดมันดีขึ้นแกก็ไม่บัญชีนะบัญชีเงค่าเด็กพอมาปีที่สองแกก็เริ่มบัญญัก็เริ่มทักกระถินใหม่ตอนนี้เริ่มช่วยเล็กน้อยจะซื้ออะไรก็ช่วยให้แะให้ไปไหนก็ไปช่วยทุกอย่างแต่ก็ใจก็ยังไม่เต็มที่แกก็ดีใจว่ามันเจ็ดีขึ้น พอปีที่สองปรากฏว่ากำไรมากขึ้นเห็นชัดมากถึงปีที่สามพัญญาแกได้ฟังเลยบอกว่าพอถึงปีที่สามฉันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะอะไรไหมเท่าแกทาเองหมดเสื้ออะไรมันก็ตามไม่ดีทั้งหมดต้องทาแกเสื้อเองเหลือจต่ตัดดักตรงนั้นไปจนมาก็เป็นว่าการเท่ากับถึงเท่าแกแก ต, ต้องจัดเองทั้งหมดไม่งั้นมันไม่ดีพอ พอปีที่สามเท่าทีนผ่านไปจากโรงเรียมือก็เป็นโรงเลรียจากรายได้ก็ดีขึ้นเนื่อเยายวยาโยมพุทธบริษัทการถวายก็ถินท่าไม่ใช่จะไปรอรับผลเฉพาะชาติหน้าอย่างเดียวนะถ้าถวายทุกปีจะมีผลตามที่ว่ามานี้ให้สังเกตตัวเองก็จะมีการคล่องตัวดีกว่าคนที่ไม่เคยถวายกา็เหนทานตอนนี้ไปก็หอมา ย, ยาเยียวยโยมพุทธบริษัท่านเอาอย่าลืมนะ คนที่มาใหม่พระ่กี่นี้นะยังทําบุญได้อีกนะไม่เป็นไรนะถ้ายาถาสัพเพถก็ทำบุญใหม่ได้เอนะตอนนี้ไปเขายิาโยมรับพรจะพระสงค์ยถ า, าวาริวาหาผุราป ร, ริปุรินติสาครามเอวมิวิโตทิมนังเปตาหนังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวัชมิจจตุสพพัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทนราโซยะธามานิโชติราโซยะธาวิวัตจันโตับ จิตาุตรธรรมสาญนุชัดสารวยธรรมวัตรนัตอายุวันนสุขตังวรายวันรตอกวทนาวัตระกวสิรวั ท้าโกยัสวัทาโกวาราวัท้าโกวานาวต้าโสุขวัทาโกโหุัจรัานทุกโรทัศกยาเสกัสสดุจุปัาวะ ฉันดุจเจติฉัสาชสยศิษย์ทลท่านนำางโดยมหาสยามตกขลังบาลังที่ทอายุจะวันโนจะพัวพังกุศที่จะยังสวัสดิ์สัตวสยจะอายุจะเที่ยวิ ทิวาวันตุเตบวตุสักภังภะลังลักขัตุสัังสัรทุภาริยนายัตตาโตทิววันตุเตบวตุสัมังะลังลักขตุสั ฮาธรรมานุฮาเวนัทธาโสทิมวันดุเตหวัุสักภามังคาังลขันุสักวเทวันชสักาจังานุวาเวนัทธาโสทิ ภาะอรหัุทีเพาญาติโยมโชคดีเป็นญาติโนะ